ยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาขรังเอวเมวัยโตทินนางเปตานางอุปกะ ป, ะปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนราสูยะถามณิโชติ ระโสยทาสัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาธนศีลิสนิจังบุตธาปจายิโนจัตตารโรธรร ม, มวัทานติ อายุวันโนสุ ข, ขังภาลังภวะตูสัพะมังคลังราขันตูสั พ, พัททวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะสัทาโสถีภะวันตุเต